กำลังทํางานอยู่นึกขึ้นมาได้ว่าเออเย็นี้เราต้องโทรศัพท์ไปหาลูกชายกําลังรีดเสื้ออยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้เราตั้งน้ำเอาไว้ต้องไปทํานี่แหละคือหน้าที่อของสตินั่นแสด้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนนะมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่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 รวมไปถึงว่ายังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีก็ประมาทในความตายสิ่งไร้ไรมันยังไม่มปรากฏแล้วก็เราราลึกได้ว่าสักวันมันจะต้องเกิดขึ้นในความตายอันนี้มีสติระลึกได้ขึ้นมาก็เกิดควมามไม่ประมาทใชีวิตเนยประมาณนี้ความไม่ประมาทซึ่งเป็นชื่อนึงของสติเนี่ยมันก็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 แต่ตกใจไม่ไม่เ ข, ข้ามาคกอบงจิตเพราะว่าสามารถที่จะสลัดสลัดความรูสรสรบบมส้สึกตื่นเต้นให้ให้ความรู้สึกตัวเข้ามาแทนได้เชีวองคนเรามันจะมีเรื่องปัจจุบันท า, ทางดุลแบบนี้อาจจะไม่บ่อยแต่ก็หลบประหลาดไมได้แล้วมันก็มาอยู่เรื่อยๆมาในลักษณะต่างๆกัน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 ถ้าเราไม่มีความระมัดระวังตังวเราก็อาจจะสะดุดหลุมหรือว่าสดุดชิ้นซึ่งหรือว่าเสียช็ตๆได้บางทีก็อาจจะเดินแล้วก็ตกเว้าไปเลยก็มีอันนี้ก็เพราะว่าสติที่เรามีมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจะเป็นมากที่เราต้องเจริญสติกัน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 ก็มาแต่สติที่ไวเรียนแค่รู้ตัวว่าฉันไม่สลกสไลนนั้นเป็นควารมรู้ตัวแบบจิกญาเราต้องการการรู้ตัวที่ละเอียดกันนั้นควารมระลึกได้ก็มีความลึกระลึกได้ที่ละเอียดการระลึกถึงเบอร์โทรศัพท์กำหนดนัดหมายของเพื่อนงานการที่ข้างค้างอันนั้นมันยังยังเป็นควารมระลึกได้ที่ยังยากอยู่มีควารมระลึกได้ที่ละเอียดแล้วไวยี่ว น, นั้น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 ถึเชิญชวนให้พวกเรามาเดินตัวโคงสร้างจังหวะางในปสติกันแล้วเราก็ได้เห็นระจใจการจ้งเราว่าถ้าสติของเราวเนี่ยไอ้ความคิด ม, มันไปแค่เดียวมันไปได้ไม่ไกลมันกลับมาอยู่กับกายอยู่กับอิรยาบดบางทีความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันแรงหน่อยเพราะราไปคุยเรื่องเก่าขึ้นมานะ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 มันมีหลายระดับขั้นแล้วแต่ละขั้นแต่ละขั้นถ้าละเอียดอ่อนแล้วก็วัยขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆเนีจะช่วยทํำให้เราได้ได้ Tyler, ไจัดทุกได้ไวขึ้น to แล้วก็ได้เข้าถึงสุดที่ประนี้ขึ้นประนี้ขึ้นเรื่อยๆอย่าไปดูถูกหรือมองข้ามในค ว, ม ค, วมความรู้สึกความรู้ตัวความรู้ทันหรือความระลึ ก, ก, กได้นะถ้าเราถ้าเร า, า, เร า, าพัฒนาสติเราเปิญใจ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 คนเฝ้าประตูเมืองนี่ไม่ไหวพอสับตัวว่าจู่โจมไปอย่างกระทันอย่างฉับพลันคนเฝ้าประตูเมืองหรือว่าทรมารนี่คือสติ น, ส น, สนั่นเองสติที่เฝ้าใจเอาไว้รักษาใจไนี่ถ้าเราไอ้ความความรู้ความรู้ทันมันมันมันมีอันนี้สงมากทีเดียวนี่น ถ, ถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้ทันไวๆรู้ทันไวๆมันก็จะหุดได้หลุดได้หลุดได้ และไม่ใช hey, ่แต่ไอสิ่งท eh ี dans, nó, ่น <t iny> ah, ่าเกลียดเราไม่เอานะเช่นความโกรธใครๆก็ร่้มไม่น่าเอาแต่ว่าพอกระตุ้นจิลใจเสร็จมาที่กตุ้นใจเสร็จมิที่แต่แม้กระทงสิ่งที่น่าเอาจิตก็จะเตือนเราว่าอย่าไปเอานะเพราะว่าไอพิซอร่อยอร่อยเนี่ยมันมีทุกแสงอยู่ความเพืตนกินดีในชื่อสิ่งเกียรติยศในทรัพย์ใน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 ามาผูตาลมาตตานาก็เพราะว่าเาจิตที่ฟูมากๆเนี่ยพอถึงเวลาตกลงมามัเจ็บเวลาเราประสบใจ ช, ชนะแต่มันมันแปลเป็นความแพ้แทนมันทุกข์มากนคนที่เป็นชมปเสร็จแล้วก็แพ้เวลาไปแพ้นะมันจะจะทุกข์มากกว่าคนที่แพ้มาตลอดแล้วก็แพ้ครั้งงก็เฉยๆโลกธรรมหรือว่าอิทธาโลมไฟบวก